ตั้งใจนะตั้งใจทุกคนทำรวมจิตใจของตอนให้ดีกิเลสตัณหาเนี่เหมือนกับห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเล บุคคลผู้ไม่มีความภาคเพียรพยายามละมันมันก็เหมือนกับบุคคลตกลงไฟสู่ห้วงมหาสมุทรทะเลแล้วไม่พยายามแบกไหวก็จมเนิบตายนี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ กิเลสราคะโทสะโมหะมันเหมือนกับน้ำท่วมหัวใจของคนอยู่ใครไม่ภากเพลไม่ยามแกกวกไห้กิเลสเหล่านี้ออกจากคิดใจผู้นั้นกระจมอยู่ในทุกข์ เหมือนอย่างบุคคลตกลงไปในน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละย่อมไม่มีทางเอาตัวรอดได้ผู้ใดถ้าปล่อยใจผูงตนให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาท <c oughs> เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ทั้งได้มาพบพระพุทธศาสนานด้วยคำสอนของพอระพุทธเจ้านั้นชี้บอกอุบายกำจัดกิเลสตัณหาเหล่านี้ ไว้โดยถูกต้องเลยเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงจังแล้วก็ทำให้กิเลสต่านี้เบาบางออกไปจากคิดใจโดยแท้จริงการที่บุคคลพยายามฝึก้นจิต ก็ดีฝึกขนกายก็ดีฝึกขนวาจาก็ดีให้ตรงต่อศีลสมาธิปัญญานั่นนั่นว่าอุปมาเหมือนอย่างบุคคลต่อเรือที่กำลังจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้น นี่การที่เรามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าเราพยายามต่อเรือเรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะไม่ใช่ประกอบด้วยไม้ด้วยเล็กเอาธรรมะต่างๆมารวมกันเข้า เป็นลำเรือสำหรับให้ดวงกิจนี้ได้คีห้ามจากโอคะเองเก่งกันดานรคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราทคะะตันหาหมู่เนี้ยบุคคลจาก้นจากโอคะ เหล่านี้ไปได้ก็พอมาปฏิบัติตามสีนสมาธิปัญญานี่เองไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้วมันพ้นไปได้ไม่มีข้อปฏิบัติใดในโลกนี้นอกเหนือไปจากสีนสมาธิปัญญาแล้ว ไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมาคำจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้โนยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้ได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นให้พากันพยายามอย่าไปททษหถอย เรามันถูกข่วงน้ำคือกิเลสเหล่านี้ท่วมทนจิตใจในมานับชาติไม่ทนแล้วเราลอยคออยู่กลางมหาสมุทรทะเลคือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นะจิตใจมันร่องลอยอยู่ในกิเลสเหล่านี้มา นับชาติไม่ทวนแล้วนะคิดไถ่ดีแต่เราระลึกชาติทุนหลังไม่ได้เฉยๆหรอ ก, อกเพราะพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงระลึกชาติทุนหลังได้พระองค์ก็ถึงเบื่อหน่ายในความเกิดในความเป็นมาของพระองค์เพราะเบื่อหน่ายนั้นแหละถึงคลายความกำหนัดยินดี ในขันธ์ทางหานี้เสียได้เพราะองค์ก็จึงไม่ถูกห่วงน้ำคือกิเลสดังกล่าวมานั้นท่วมท้นต่อไปดังจะเห็นได้เพราะองค์ออกบวชแล้วพระองค์ไม่หวนกลับไปครองราชสมบัติอีกเลยนั่น แสดงว่าพราะองค์ค้นจากห้องน้ำเหล่านั้นไปได้จริงๆงแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สะสมสมบัติอะไรในโลกที่มีคุธิสษัทบริจาคทานไปนับไปทวนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆแต่พระองค์ก็ ไม่ได้สะสมไว้เลยทรงแกกแก่ภิกษุสามเณรไปหมดนัด่นก็เห็นได้วันที่ใกล้ที่พระ อ, องค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานตามปกติแล้วพระ อ, องค์ก็ประทับอยู่ที่ วัดเชตวันมหาวิหารนั่นเมื่อปีพรรษาที่พระ อ, องค์จะปรินิพานพระองค์ไม่ได้จำบรรษาอยู่ที่วัดเชตวันล า, ามเลยสเสด็จไปจำพรรษาอยู่บ้านเวรุวะคาม ตำบล น, น้อยๆตำบลหนึ่งใกล้กับเมืองเวสาลีได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุไปเที่ยวจำมันสาอยู่กับมิตรกับสหายหมายความว่าภิกษุไปคุ้นเคยกับญาติโยมหมู่บ้านใดเขานับถือเรื่องใส ก็ให้ไปจำบรรษาอยู่ในหมู่บ้านนั้นซึ่งมาหา่างใกลจากพระพธองค์เท่าไรเพราะถ้าจะจำอยู่กับพระองค์นั้นคงบินถบายไม่พอฉันเพราะว่าบ้านน้อยๆในตำราท่านกล่าวไว้คงจะมีภิกษุไม่กี่ลูกรวมทั้งพระอาโนนด้วย ในพันษานั้นทรงพระประชวนด้วยพระโรคาพาตต่างๆแต่ก็ทรงบำบัดโครคภัยไข้เจ็บนั้นด้วยอิธิบาททำทั้งสี่โดยทรงลำพึงว่าเวลานี้ยังไม่สมควรจะบริณิพานก่อน ซึ่งปรากฏว่าหมอโกมารพัฒซึ่งเป็นหมอประจำพระองค์ก็ไม่ปรากฏไปรักษ า, าเยียวยาพราะองค์เลยเพราะว่าหมอโกมารพัฒนี่ก็อยู่เมืองสาวัตถีนู่นพระศาสดากฏเสด็จประจำรณสายอยู่เมืองเวสาลี พระ อ, องค์ก็ทรงบำบัดโลคาพาดด้วยการเจริญภาวนาเจริญอิธิบาตธรรมทั้งสี่ขับไล่อาพาดนั้นออกไปเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานก่อนโลกใครก็ถอยออกไป เพราะองค์ก็อยู่ไปได้ตลอดพรรษามเมื่อออกครรษาแล้วองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่พระเจดีแห่งหนึ่งลืมชื่อนะจำไม่ได้ ในเมืองเวสาลีแล้วก็เสด็จเข้าพิณฑบาตในเมืองเวสาลีนั้นกับพระอานน์พระองค์ประทับยับยังอยู่พระเจดีย์นั้นมันเป็นเจดีย์ของ ชาเมืองเวสาลีสร้างไว้สำหรับบรรจุอัฐิธาตุของบรรพบุรุษของขสัต์อะไรทำนองนั้นแนหะแต่พระองค์ก็ไปอาศัยที่นั่นจนถึงเดือนสามเพน พอถึงเดือนสามเพนแล้วพญ า, ามานก็ได้นาอาราธนาให้พระ อ, องค์เสด็จตับขันเข้าถูพนิพานโดยพยายามมานอ้างว่าบัดนี้พระ อ, องค์ก็ได้ทรงสั่งสอนบริษัทสี่เ่า ในเด้๋ยวมักได้ผลเจริญรุ่งเรืองมาเต็มอักราแล้วร่างกายของพระองค์ก็เข้าสู่วัยชราสุดสมแล้วสมควรที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วขอพระองค์ทรงรับอาราธนาของข้าพระองค์ด้วยเถิด ก่อนหน้านี้พระศาสดาได้ทรงแสดงโอภาสนิมิตให้แก่พระอนุนฟังว่าดูก่อนอนุนบุคคลใดเมื่อมาเจริญอิทธิบาทธรรมทั้งสี่ให้มาก ให้แก่กล้าเต็มที่แล้วปราถนาจะมีอายุยังง่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันก็อยู่ไปได้พระ อ, องค์ทรงแสดงอุบายอันนี้ถึงสามครั้งพระอ น, นันตก็ระลึกไม่ได้เลย ไม่ได้ทูลอาราธนาพระองค์ให้เจริญอิทิบายทํา ร, รั้งสี่แล้วทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานตลอดไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายในตำราท่านกล่าวไว้ว่า ทั้งนี้ก็เพราะมารเข้าโดนใจพระอานนท์เนื่องจากว่าพระอานนท์นั้นเป็นเสขาบุคคลยังไม่สำเร็จอรหัตตะผลได้บรรลุเพียงแค่โสดาบันเท่านั้นกิเลสยังมีอยู่อดังนั้นมารจึงเข้าโดนใจได้ ถ้าพระอานนต์สาเร็จอราหาันแล้วมารจะเข้าโดนใจพระอานุ์ไม่ได้เลยมารเข้าโดนใจเป็นเหตุให้พระอานนต์นึกไม่ออกเลยก็องค์ทรงตรสโอบวาดดังกล่าวมานั้นนะ ดังนั้นก็องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งให้พระอนุ น, นไปพักผร อ, อยู่ร่มไม้แห่งอื่นพระอนนนก็กลับราพระองค์ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระศาสดาเท่าไรนะักทีนั้น มารได้โอกาสก็จึงเข้าไปกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ดับขันเข้าสู่พนานิพานพระองค์เจ้าจึงตรัสแก่พญามารว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดทั้งแค่นี้ไปอีกสามเดือน เราสถาคตจะสะดะสะเด็จดับขันเข้าถู่พระนิพพานแล้วท่านจงรับรู้ไว้เถิดพญามารก็สาธุ ก, การแล้วก็หายตัวไปท่านใดนั้นพระศาสดาก็ทรงโปรงพระชนมายุสังขาร โดยอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปอีกสามเดือนซึ่งครงกับเดือนหกเป็นพระจันทร์เต็มดวงพระองค์เกียรติสเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานในวันนั้นเมื่อทรงพระอธิษฐานเสร็จลงไปก็ทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนสะท่านพระอานนท รู้สึกแปลกใจจึงได้เข้าไปทูลถามพระ อ, องค์พระองค์จึงทรงรับสั่งว่าพราะองค์ได้ปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วพระญามานได้มาทูลอาราธนาพระ อ, องค์เมื่อตะกีนี้ขันแล้วพระอา น, นุนก็ได้กลับทูลอาราธนาพระ อ, องค์ ขอให้เจริญปฏิปทานสี่ดังที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเพื่อทรงพระชนมายุยั่งยืนนานต่อไปพระองค์ก็ทรงตราท่ามดูก่อนอนอนท์มันนี้มีใช่การแล้วนีใช่เป็นการที่ท่านจะมานิมนต์ อาราธนาเราะถาคตแล้วตั้งแต่ก่อนนี้ยังเป็นการเวลาอยู่เราแสดงนิมิตโอภาสถึงสองครั้งสามครั้นท่านก็ยังนึกไม่ได้เลยแม่อาราธนาะถาคตสักหน่อยเดียวถ้าว่าอานนท์อาราธนาพระองค์ ก็องค์ก็จะปฏิเสธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอันเมื่ออาราธนาครั้งที่สามนี่เราจะถาคฐก็จะรับอาราธนาพระอรนุนแน่นอนแต่นี้พระอาน์นิ้งเฉยไม่อาราธนาเลยก็เป็นโทษของพระอานุ์เองมัด น, นี้เราจะถาคฐได้ ปรองพชนอายุสังขารแล้วจะกลับคำใหม่อีกไม่ได้เลยสัตจังเวอมตาวาจาการกล่าวคำสัตเป็นธรรมอันไม่ตายเป็นนั้นว่าพระองค์ก็ได้ปรองพชนอายุสังขาร <c oughs> ในเดือนสามเพนพระจันเต็มดวงนะ แล้วก็ต่อจากนั้นก็ทรงสเสด็จไปสู่เมืองกุศินราพักไปตามละหมู่บ้านหลายทางแสดงคำเลื่อยไปพอดีไปถึงเมืองปาวานั่นน่ะมันติดต่อกับเมืองกุศินราก็ไปพักอยู่ที่ ร่มมะม่วงสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมมาระบุตนายจุนทะนี่เป็นลูกของช่างทองเมื่อนายจุนทะทราบก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังนายจุนทะก็ได้บรรลุโสดาปติพล ในปฏิญญาตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรั a นกไกรเป็นที่พึงตลอดชีวิตเนี่ได้อราันาพระพุทธองค์และพระสงฆ์ห้าร้อยลูกไปฉันพัตหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในวันวันนั้นนายจุนท่าขอจัดแจง ตแต่งพัดตาหาก็เลี้ยงพระทั้งห้าร้อยลูกมันก็ต้องขอนขายเต็มที่น <c oughs> ุ่งชาพระองค์ก็เสด็จไปเมื่อไปถึงบ้านแล้วระองค์ทรงรู้ว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกร อ่อนนั่ น, นะเทพดาเอาอาหารอันเป็นทิพย์ลาแทกเข้าไปหวังว่าจะถวายทำบุญถวายทานพระองค์ในวาระสุดท้ายพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรงรู้ว่าไม่มีพระสงฆ์องค์ใด ต่ฉันอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกร อ, อ่อนนั้นแล้วทำให้ไฟธาตุย่อยได้ไม่มีแม้คนในโลกนี้ทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครจะไปรับประทานแล้วย่อยได้ไม่มีมีแต่พระองค์คู้เดียวเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสั่งให้ในายจุนทะ เอาแต่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกอนอ่อน น, นมา ถ, าถาวายพระองค์เท่านั้นไม่ไปถาวายภิกษุอื่นให้เอาอาหารอย่างอื่นไปถาวายภิกษุทั้งหลายเมื่อพระองค์เอาเสร็จแล้วเหลือนองนั้นก็ทรงรับสั่ง ให้อออาหารนั้นไปฝังเสียให้มิชิตเนี๋ยพระองค์ก็ฉันพร้อมโดยพระสงฆ์ก็ฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็ทรงพระประชวนโดยพระโลคาพาดโดยถ่ายเป็นเลือดออกมา แล้วพระองค์ก็ล่ำลานายจุนทะเดินทางไปสู่เมืองกุศินาราทรงพักถ่ายไปตามทางเมื่อถึงเมืองกุศินาราแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้พระอ น, นุลและทิกสูทั้งหลายได้ทำละเตียงนอนของ พวกมันลกักษัต์เหล่านั้นให้หันศีรษะไปเบื้องตะวันตกให้ตั้งอยู่ในระหว่างนางรังทั้งคู่แล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พับผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้นกูราดลงไป องค์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็ประทับศีหะสยาเรียกว่าบรรทมหรือนอนตะแคงข้างขวาเรียกว่าอนุษย์สญยญาแปลว่าก็าองค์ประทับ นอนจะไม่ลุกขึ้นต่อไปอีกแล้วพระอานน์ก็ได้ไปบอกแก่พวกมัลลกษัตริย์ในเมืองศินาให้ทรงสั่งชาวเมืองก็ดีพวกมัลลกษัตริย์เหล่านั้นก็ได้ดอกไม้ถูกเทียนมาถวายบูชาพระศาสดาในประกาศตน กราบทูลได้ทรงทราบว่าได้มากราบพระเฝ้าเสร็จแล้วก็ทรงให้บวชสุภะทะปริพาชกที่เป็นคนแก่เวททูลถามปัญหาพระองค์องค์ก็ทรงรับสั่งให้พระอานณนบวชให้เสร็จแล้วท่านก็ทำความเบียน ตลอดคืนในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันก่อนพระองค์ดับขันเข้าถู่พระนิพพานก็พงสังขารลงไปได้นี่แหละเป็นประชิ ม, มะพุทธสาวกของพระศาสดาสื่อสุภัทถะปริภาชกท่านบวชเมื่อแก ประโยชน์พุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในวันเสด็จจับขันปริณิพานนะนั่นนะคือได้แสดงธรรมโปรดสู่พัทธปริภาชกซึ่งนับถือลทัทธิอื่นแต่มีบุญวาสนาในสั่งสมมาเต็มแล้วจึงโดนบรรดานในเฝ้าพ ร, า ะ, พราะองค์ ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมาชีพเนื้อท่านก็ได้บรุกมกผลนิพานเข้าถูกผนิพานตามประสาตดาไปดังนั้นในพากันจำเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อเจริญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราผู้เป็นนักปวด หรือเป็นคฤือหัากข้อตามเราจะได้ตั้งใจทำความดีไปละกิเลสตัณหาน่อยเบาบางไปนังอธิบายฟังมาตอนต้นนั้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้